พระธรรมเทศนาแผ่นที่114ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าผู้หวังอัดหวังธรรมต้องรู้จักระวังตัวเองวันนี้เป็นวันที่1ิบ พฤษภาคมพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเมื่อเช้าพี่น้องประชาชนมาใส่บาตรล้นหลามตอนเที่ยงวันนี้ก็พระสงฆ์ได้ลงอุโบสถรวมละ36รูปพวกเราได้ลงอุโบสถจบพลังสักรงสักครู่นี้อันนี้คือเกี่ยวกับวิในพระสงฆ์อยู่ที่สถานที่ใด ถ้ามีกฎมีระเบียบมีวิในดูแล้วมันสวยงามน่าดูถ้าพระอยู่ชนาสถานที่ใดเลอะเลเอะเทะเลอะเลเลือนเออค่อยมาอยู่ในกรอบไม่มีสัมมาคารวะไม่มีเศีราจรวัตไม่มีอาจาระเนื้อสัยไม่เรียบร้อยจะพูด จะเดินจะไปจะมาจะคลองผ้าดูต้อ ง, งอยู่ในศีลายจัลวาตุในกฎระเบียบการนุ่งผ้าห่มผ้ า, ผาในมีพระวินัยมันมีบทการนุ่งผ้าก็ต้องอยู่ในเครื่องแข่งแลว้วก็ก่อนการที่จะไปนักสถานที่เดีเข้าไปในบ้านอย่าไปเวิร์กผ้าต้องครองผ้าให้เรียบร้อยอันนี้ล้วนแล้วแต่วินัย ถ้าพระของเราอยู่ในวินยัยอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในศีลแล้วไปนะักสถานที่ใดจะหาความตำหนิติชินอินทาไปได้ที่คนทั้งหลายเขาติชินอินทากันกับพ่อเนี่ยพระของเรานะ่ยไม่อยู่ในหลักไม่อยู่ในกรอบไม่อยู่ในกฎระเบียบศีลาจารวัตเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นจริงไหมให้พวกเราทบทวนนะ ไม่ได้ยิ น, นพอได้ยินทะลุหูซ้ายทะลุหูขวาท่านั้นนะมันไม่เกิดประโยชน์ผมเจตนาสอนหมู่พวกเพื่อนให้ศึกษาให้ฟังผมอยู่กับครูบาอาจารย์มาแล้วได้ศึกษาได้ทำมาแล้วที่ผมสอนนะแล้วก็พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมผมเดินเขินไปนักสถานที่ใดผมระวยงระวงังพราะอะไรเราเป็นพระ ไม่ใช่เราเป็นคารวาสไม่ใช่เราเป็นโยมเราไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งเราทําตัวไม่ดีเหมือนกับเราทําให้ตระกูลของเราเสียหายตระกูลของพระพุทธเจ้าเสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตระกูลตระกูลพุทธถ้าเราอยู่ไม่ได้เราหนีออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรตระกูลอเขาไม่เสียหายแต่เมื่อเขาเราก็มาอยู่ในตระกูลเราก็ต้องสํารวมระวังอากับกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสมณะสารูป เพระเราเป็นรูปของพระพุทธเจ้าสากยบุตรนะขอให้พวกเราทุกท่านนะที่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะให้พวกเราอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยก็พร้อมกันกาย่าการภาวนาทั้ง อ, อกตั้งใจพวกเราวัดของเราเนี่ยกว้างขวางเราจะไปหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนมันมีที่หลบหลีกปลีกตัวได้ทั้งนั้นทั้งวันไม่เชื่อก็ทดลองดูสิ ไปหาขวดหลังไหนที่อยู่ในมุมสงบถือขวดน้ําไปแก้วน้ําไปปัดกวาดทําความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยปัดกวาดในบริเวณทางใดินอยองกลมเสร็จแล้วคนเดินยองกลมเสร็จแล้วขณะขึ้นไปนั่งภาวนาอยู่ตามลําพังทั้งวันเลยไม่ให้เห็นใครก็ได้ไม่ได้ยินเสียงใครก็ได้อยู่ในหลังวัดเป็นนั่งอยู่ภาวนาตามลาําพังคนเดีดูมีแต่ใจของเราคิดออกไปนอกลกูนอกทางเท่านั้นแหะ มันไม่สงบแต่สถานที่มันสงบที่เงียบไม่มีอะไรเป็นเอกเทศอีกต่างหากปลอดภัยอีกต่างหากไม่มียุงอีกต่างหากกูดหลังไหนมีพอเสร็จแล้วก็เก็บรักษาให้เรียบร้อยปิดเรียบร้อยอค่อยออกมา อ, องค์อื่นอยกจะไปพรางเอาหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไปนั่งภาวนาไปเดินยังกง ไปบําเพ็ญอยู่กี่วันบางทีเอาผ้าไตรผ้าคลองไปนลยไปนั่งภาวนาอยู่นั่นไม่ต้องออกมาเลยก็ยังได้นั่งภาวนาบําเพ็ญอยจนเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพาดําเนินมานเอาทดลองด้วสิเอาให้จริงจังอย่างที่ผมพูดให้มีสติสัมปชัญญะกับตัวเองตั้งจิตอธิษฐานเลยบอกว่าข้าพระเจ้า จะให้มีสติอยู่กับตนเองให้มากที่สุดในคราวนี้ครั้งนี้ทดลองที่สักเจ็ดวันนะเ อ, เอาสักเจ็ดวันตายเป็นตายให้มันตายดูสิตายสติอยู่กับตัวเองมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะนะมันไม่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่เป็นหุ่นทางแห่งความชิบหายแต่มีจิตใจปรุงฟุง้งออกไปข้างนอกเออแลเ้เฮยลอยลมฟุง้งปุงอยู่ตลอดเวลาขนาะดชิบหายความชิบหายอยู่แค่ เอื่มท่านเองแนหะาเป็นลักษณะอย่างนั้นเพอเผอเป็นบ้าอีกต่างหากใจสงนอกใจไม่อยู่กับตนเองเพราะนั้นในพวกท่านทั้งหลายตรวจตราดูตนเองนะไม่มีใครที่จะตรวจตราตนเองถ้าพวกท่านทั้งหลายตรวจตราตนเองอยู่ตลอดมาให้มีสติข้าพเจ้าจะมีสติสามปัญญะในทุกอริยบทเว้นเสียตะหลับหลับนมคุมไม่อยู่มันหลับ แต่พอตื่นขึ้นมาแล้วขา้าพรเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตนเองนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายทําดูสินี่แหละเป็นหนทางเป็นคุณกุญแจดอกดอกแรกเลยก็ว่าได้ถ้าพวกท่านทั้งหลายทําไม่ได้เลยดอกอื่นเปิดเปิ ด, ปดต้องอื่นจะไปหวังเลยเลอะเลเลือเล่อนๆไปหมดนั่นแหละพระนกรอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่แหละอย่างที่ผมพูดผมกล่าวนี่นะให้ตั้งใจเอาไว ให้แนวแน่อย่าไปกุกคลีกับหมูขนาดเวลาจะทําอย่างนั้นฉันให้น้อยการอยู่การฉันกันระเวียงระวังผมไม่อยากจะได้ยินเรื่องกิเลสการบัลลังกาเจี๊ยบหัวพระทําทไมไม่ระวังเป็นพระน้อยพระหนุ่มเห็นไหมเห็นรูปผมไหมสมัยผมเป็นพระน้อยพระหนุ่มขนาดเห็นเนีรูปมันยังอ้วนแล้วนะน่ะ มันผอมกว่านั้นอีกต่างหากเพราะอะไรผมระวังระวังการอยู่การฉันการหลับการนอนผมจึงได้พ้นมาเป็นอย่างนี้นะถ้าว่าผมไม่ระวังเนะ่ยผมตายมาตั้งเป็นพ้าน้อยผระหนุ่มแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่นะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยผมเคยปฏิบัติมาแล้วนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเ อ, อไปอยู่ตามลําพังเอ้าอวสถานที่ของเรา ถ้าจะว่าไปนะบ้านตาดยังไม่กว้างเหมือนวัดของเราอีกบ้านปัดบ้านตากเพียง6กไร่นะพระของท่านก็น20กว่าองค์นะในสมัยผมอยูนะ่อันนี้วัดของเราต้้งพ350อยหไรนะ่พระของเราก็เพียง30กว่ารูปหนะลบลีกกันได้กุฏิยังว่างอีกกุฏิหลังเล็กๆนะล้านนะยุงไม่เข้าอีกต่างหากกันยุงได้อีกต่างหากกันมดได้อีกต่างหาก เราขึ้นไปปัดกวาดทำความสะอาดทำาดายังกรมมันมีทางดอยังกรมทกเส้นอยู่แล้วอยู่ในป่าร่มตลอดทั้งวันอีกต่างหากเนี่ยแหละเราเข้าไปอยู่นะเอาภาวนาได้สิตั้งจิตอธิษฐานเลยข้าพระเจ้าจะให้มีสติสัมปชัญญะตลอดย4ี่ชั่วโมงเอาเอาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก่อนก็ได้นะไม่ถึงเอาเจ็ดวันต่อมาเอาข้าพระเจ้าจะให้มีสติสัมปชัญญะ สักสองวันสองคืนยี่ี่กับสี่สิบดชั่วโมงก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยจากนั้นก็เนนะี่ยเมื่อจิตใจสงบเมื่อจิตใจเน่งจิตใจเป็นหนึ่งเน่งแล้ว น, ะนั่นละต่อไปจะเก้าต่อไปพิจารณาอะไรจะเป็นชิ้นเป็นอันนะอันนี้คือตั้งต้นขึ้นเบื้องต้นพระนักอให้พวกเราพระเนนเข้ามาศึกษานะ จะไปปรุงพุ้งที่นั่นจะดีที่นี่จะดีถ้าตัวเองไม่ดีแล้วจะดีได้ยังไงถ้าตัวเองทําตัวไม่ดีแล้วจะดีได้ยังไงคิดดูสิไปอยู่นัดนสถานที่ไหนอยู่ในเมืองไหนถ้าตรงทําตัวไม่ดีแล้วมันจะดีได้ยังไงไปยุอังกฤษอัมเบเดกาก็ไปติดคุกอยู่นู้นล่ะเพราะไหนเพราะทําตนไม่ดีถ้าอยู่เมืองไทยก็ติดคุกในเมืองไทยเพราะไหนทาตนไม่ดีถ้าตนทําตัวดีแล้วอยู่ที่ไหนมันดีหมดนะ เราเป็นพระนยะอยู่วัดตั้งจกุกตั้งเจพ๊วนานะมัน ส, สถานที่มันสบายะมันเหมาะอยู่แล้วนะ้าก็มีน้ำถ่าก็มีจะอาบที่ไหนก็ได้อย่างที่บ้านตาไปอาบน้ําในบ่พระทั้งหมดบอ่อเดียวกว็จะได้น้าบอ่อน้าไปใช้ก็ต้องหิ้วไปอยู่หลังวัดกว่าจะไปถึงสถานที่พักอาบน้ําลำบากอันนี้น้า เปิดที่ไหนได้ทุกแห่งหนอีกต่างหากสะดวกสบายอีกต่างหากมีเทียนขาไปจุดที่ไหนเดินจงกรมนั่งภาวนานี่แหละเรารู้จักปลีกตัวในการประกอบคุณงามความดีประกอบสมาธิวิธีการทำสมาธิอย่าไปคุกคีกหมูคณะนะพยายามปลีกตัวให้มากที่สุดโทรศัพท์อย่าให้มีถ้าใครก็ตามนะที่มีโทรศัพท์นั่นแะตัวอันตรายอย่างมากพูดได้เลย อันตรายอย่างมากสําหรับคุณธรรมถ้าท่าน ผ, ผู้หวังธรรมแล้วต้องหยุดในหยุดในจุดนั้นนะไม่จําเป็นเราจําเป็นอะไรเราติดต่อประสานงานเรื่องอะไรเราอยู่ในวัดเราประสานงานเรื่องอะไรต้องการอะไรมันมีมันมีเหตุผลอะไรด้วยนะมันมไม่มีไม่มีเหตุผลทางนั้นถ้ามีเหตุถ้ามีเหตุจําเป็นกับมีที่ติดต่อมีบอกมา มีอยู่ที่ติดต่อเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายผู้หวังอัดหวังทำในใจนะต้องสำรวมระวังนะการอยู่การฉันหนึ่งแล้วก็เลื่องเองนี่ยแหละติดต่อประสานงานกับคู่คนเน่แหละเป็นหนทางแห่งความชิบหายพูดอย่างนั้นได้เลยนะสำหรับผ้าน้อยผ้านุ่มใหม้ฟังเอาไว้นะต่อไปสุดท้ายปฏิโมตย